นี่เขาเรขันเดินไปอยู่ใช่ไหมขันกําลังเกิดดับเป็นไปอยู่ทีนี้นี่มองโดยขันก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลแท้แท้จริงก็คือรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างถ้าว่าโดยอายตนะตัวจักขคูประสาทเป็นจักรขวาเยตนะใช่ไหมก็รูปารวมเป็นรูปารเยตนะตัวจกักรคุญานเป็นมนาเยตนะตัวเวทนาสัญญาสังขารญาณเป็นธรรมายตนะเห็นไหมตัวจักขคูสัมผัสชาเวทนาเป็นธรรมายตนะ อยู่นี้เป็นธรรมายตนะเห็นไหมเป็นธรรมายตนะนั่นเองนั้นมองในความเป็นอายตนะก็ได้ถ้าสัตย์จะตัดสิรู้เพราะควาอายตนะพระอาจาจะบอกอายตนะถ้าสัตจะตัดสรูเพราะท่าพระองค์จะบอกว่าท่าใช่ไหมจากขุยญาณในท่คือจากขุยญาณสัญญาเวทนาสังขารที่เกิดร่วมกับจากขุยญาณในท่าเป็นธรรมะท่าพระอาจาก็บอกตัวเวทนาเป็นธรรมะทตาปารกรูปะท่าอาศัย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 พอเขาไปเนะพอเขาไปกลับไปเสื้อกลับข้าวหยิบเสื้ออะไรต่งตางๆนี่กลับไปหาซื้อเขาพดเสื้ออะไรก็ไปคเขาไปแต่คนที่เขาแก่อๆไปไ ป, ไปเสร็จแต่นี้กลับไม่ทันก็ไป น, นอนอามาก็ลุกขึ้นมาที่ดูคนรวยนอนนอนนียัะมาก็ไปดูต้องเกลียดดูไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ทีหวังแต่ก่อนมา เ, อาเรื่องรวยนี่มันยากครับ อ, อามาคิดแต่เด็ก ๆ, ๆนี่นะที่ไม่เห็นจะยากอะไรเลยถ้าซื้อขายกันแบบนี้ใช่ไหม อมาไปต่อรองเขาเลยบอกบอกยมพ่อนี่ไม่ยากเลยเรื่องเรื่องอยางมีกันไม่เห็นต้องมาเหนื่อยอ ย, อย่างนี้เลยถามว่ า, าทำไงเขาบอกยศพ่อบอกว่าไม่ยากหรอกก็นี่งไงเขาไปซื้อเนี่ยตามเขาไปดูแล้วเขาซื้อของเราไปเนี่ยถมมังหนึงประมาณยี่สิบห้าบาทเขาไปขายสามสิบกว่าบาทที่ได้เอยอะแยะใช่ไหมเขาไปเลยเปทิทิศที่อยู่ในโรงสีหรือท่าเรือเนี่ยใช่ไหมแถวแถวแม่น้ำหรือต่างก็จะมีโรงรับหรือต่างกูมันต่างนี้เอยอะแยะ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 ก่อนอยาดูเนี่ยโปีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานไปแต่งไปทำผมสมัยก่อนต้องไปทำผมไกลๆกลับนะมาไม่ยอมต้องมานอนคว่มหน้าอลยต้ <laughs> <laughs> บอกทำไเ้ยถามสะกีดมันทำไมทุกทรามานขนาดนี้ต <laughs> ลาดเน่ต้องมายุ่งอยู่กับผมเนี่ยในะชีวิตเนี่ยนะมัน <laughs> มันมันทุก ใช่ไมมองแต่พอแล้วมันไม่เคยได้รับความสุขความทุกข์มันบีบคั้นอย่างพร้ะอมองใส่ก็เป็นคารวะน้ำบ้าบ้าไม่มีทางออกอ่ะใช่ที่จะพอมาบวชเข้าเนี่มัโลกอ่ะว่าเออนีช่แล้วพอพอมีพอมีความรู้สึกวันนี้หนะเพราะหัมหรือไงนะมีความรู้สึกว่าไฉแล้วยังไม่รู้อะไรกันอะไรเนียเหนียวช่แล้วาะมีความรู้สึกว่าไฉแล้ว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 ทานกคาถาสีลักคาถาสัทธาคาถากามาทีนวะคาถาเนคข ม, มานิสังสักาถ า, คาแล้วสรุปลงเรื่องอริยสัจสุคือทุกสมุทัยที่เราทำพระเจ้าทีมที่สามพร้อมได้บริวารสิบเอ็ดหน้าหุดคือสิบเอ็ดนึ่งเนี่ได้บรรลุอะ่ะกลุ่มนั้นไม่ได้บวชเลยะแล้วคาราวาสในเชตวันเป็นต้วเหี๋ยเนี้เจ็ดโ ก, โกโดนีนะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยห้าโกโดโกโดละสิบล้านห้าโกโดก็คือห้าสิบล้าน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 เราก็ดูก่อรนายช่างเรือนนะเราเห็นเจ้าแล้วนายช่างเรือนคืออะไรสมุทัยาาาสัจจคตัญหาใช่ไหมพระพิจารณ์บอกว่าเราสแสวงหาเจ้าเนี่ยยี่สิบอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากรัมบัตรนี้เราพบเจ้าแล้วแปลว่าอะไรคํำนี้คืออะไรอ่ะ ใค้ตอบคำนี้ได้ไหมบัตรนี้เราพบเจ้าแล้วอะไรคือพบใครตอบได้อ้าสมุทัยะอ้ใครตอบได้เพราะว่าไงท่านอาจารย์รู้่าท่าจรติดต่อไปไม่ได้ไมอาจารย์เลยรู้แต่ว่าท่านจะสงติดต่อไม่ได้แล้วเห็นไหมเพราะเราสวดกันมาบ่อยยอะกวานี้จมา